ได้ดูคลิปวิดีโอสั้นๆนะคลิปหนึ่งจากประเทศจีนอ่าเป็นภาพอนะ่ผู้หญิงวัยรุ่นนะหญิงสาวกําลังกินก๋วยเตี๋ยวนะก็กินคนเดียวนะโต๊ะของเธอนี่ก็มีเธอกินคนเดียวระหว่างที่กินก๋วยเตี๋ยวก็ดูโทรศัพท์ไปด้วยนะมองโทรศัพท์ตานี่ก็มองโทรศัพท์นะมือก็ ที่ตะเกียบนะกินก๋วยเตี๋ยวบอกวก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมันเผ็ดมากนะเธอก็เลยเดินออกไปซื้อน้ําน้ํำขวดนะระหวงที่เดินออกไปเนี่ยก็ตาเขอย่างจ้องมองที่โทรศัพท์มือถือนะเดินไปนะตาก็มองไปที่โทรศัพท์ได้น้ํำขวดมาก็เดินกลับมาที่โต๊ะของตัวนะ แล้วก็พอถึงโต๊ะนี่ก็นั่งลงตาก็ยังมองโทรศัพท์นะแล้วก็ขีดก็ขีดตะเกียบเนี่ยนะใช้ตะเกียบเนี่ยคีบก๋วยเตี๋ยวนะกินต่ออง่ายๆนะแต่แล้วเธอก็ตกใจเพราะว่าไอ้จานก๋วยเตี๋ยวที่เธอกินเนี่ยนะมันไม่ใช่จานของเธอนะมันเป็นจานของอีกคนหนึ่งนะของผู้ชาย ตกใจเลยผู้ชายคนนั้นก็ตกใจผู้หญิงคนนี้มากินก๋วยเตี๋ยวของเราได้ยังไงนะบอกว่าเธอเดินเลยโต๊ะของตัวเองไปโต๊ะหนึ่งนะไปกินก๋วยเตี๋ยวของคนอื่นนะอันนี้พราะอะไรนะเพราะว่าตัวเองเนี่ยนะไม่มีสตินะเดินเนี่ยนะก็ดูแต่โทรศัพท์มือถืออ่ะเดินเลยโต๊ะของตัวเองไปก็ยังไม่รู้อีกนะแล้วไปนั่งนะอยู่ข้างหน้า ผู้ชายคนหนึ่งนะที่กำลังกินก๋วยเตี๋ยวก็ยังไม่รู้นะมารู้ก็ตอนที่นะกินก๋วยเตี๋ยวของเขาไปแล้วเนี่ยถึงค่อยอรู้ว่าเนี่ยโอ้ยเราอ่ากินอ่าเราเดินมาผิดเตะแล้วนะอันนี้ก็คงเป็นการแสดง น, นะมันคงไม่ใช่เรื่องจริงแต่มันก็คงสะท้อนให้เห็นนะว่าให้เรื่องแบบนี้มันคงจะเกิดขึ้นนะ กับผู้คนมากมายนะก็คือว่าลืมสติหรือว่าไม่มีสตินะเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยใจเนี่ยไปจดจ่อยอยู่กับโทรศัพท์นะมันก็มีนะมีแบบนี้มากขึ้นเรื่อยๆเดินข้ามถนนนะเดินข้ามถนนแต่ว่าตาเนี่ยแทนที่จะดูรถนะก็กับก้มมองโทรศัพท์มือถือที่ถือเอาไว้อาจจะคิดว่า มันเป็นทางม้าลายหรืออาจจะคิดว่ามันเป็นต่อกซอกซอยซึ่งไม่ค่อยมีคนนะเสร็จแล้วเป็นไงนก็โดนรถชนนะหัวร่างข้างแตกหรือพิ ก, การไปเมื่อสามสี่ปีก่อนก็มีดาราคนหนึ่งนะเป็นชาวอังกฤษก็เข็นรถน ะ, ะรถนี่ก็ในรถก็เป็นลูกของตัวเองนะนะยังพระเภทสักสี่ห้าเดือนเลยมั้งเข็นรถพาลูกไปเที่ยว บนฟุตบาทนะนะขณะที่เข็นรถเนี่ยตัวเองก็มองโทรศัพท์เพอเออาจจะจิ้มโทรศัพท์ด้วยจู่ๆเนี่ยรถเนี่ยมันก็เกิดพลิกคว่ำนะเด็กเนี่ยที่อยู่ใน้ถก็เรียกว่าเทกระจายนะออกมาเลยนะมันก็เป็นเรื่องเวลาเพราะมันมีคนเนี่ยนักข่าวเนี่ยติดตามอยู่ก็ก็ถ่ายภาพแล้วก็เอาขึ้นหนังสือพิมพ์ก็เป็นข่าว บอกว่าดาราคนนี้ยไปโทษนะไปโทษนะเทศบาลว่ า, าทาถนนไม่ดีนะทำฟุตบาทไม่ดีทำให้มันมีร อ, อยแตกรอยแยกอะไรสักอย่างนะก็เลยรถของเด็กลูกเธอก็เลยพลิกคว่ำนะ อ, อันนี้แทนที่จะโทษตัวเองนะว่าไม่มีสตินะไม่ใส่ใจกับการดูแลลูกนะกลับไปโทษคนอื่นก็เลยโดนคนเนี่ยวิจารณ์ต่อว่านะ ทั้งประเทศเลยนะเรียกว่าลําไม่ดีโทษปีโทษกองเนะี่ยอันนี้เป็นสำนวนนะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ยินแล้ะสมัยนี้เนี่ยคนนับวันเนี่ยนะจะลืมสติหรือว่าใจลอยนี่มากนะส่วนหนึ่งก็เพราะโทรศัพท์นี่แหละสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราใจลอยนะถ้าเป็นสมัยที่คนเรายังอยู่ไล่นาเนี่ย นะถ้าใจลอยเนี่ยมันก็อาจจะอย่างมากก็ตกคันนานะเดินใจลอยตกคันนาแต่สมัยนี้ถ้าใจลอยนี่นะก็อาจจะโดนรถชนนะหรือว่าขับรถไปชนเขานะแต่สมัยนี้เนี่ยถึงแม้ไม่มีรถนะมันก็อาจจะเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมาได้เวลาเราเสียบปลั๊กเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ระมัดระวังมือเรานะ มันเตือนน้ำเสียบปลักอย่างไม่มีสตินะก็อาจาจะถึงตายได้สมัยนี้เนี่ยมันมีเทคโนโลยีที่อันตรายเยอะมันให้ความสะดวกสบายกรรับเราก็จริงนะแต่มันก็อันตรายเช่นรถยนต์เครื่องไฟฟ้าการเผลอการลืมตัวเนี่ยเพียงแค่ชั่วครู่ชั่วประเดียวเดียวเนี่ยก็อาจจะทำให้ถึงตายได้นะมันไม่ใช่แค่ตกท้องร่องนะ แต่ถึงตายเลยทีเดียวนะพอไฟช็อตบางรถชนมั่งแต่สมัยนี้เนี่ยมันมีอันตรายอีกแบบหนึ่งนะมันเป็นอันตรายที่สามารถจะเกิดขึ้นได้กับเราทุกเวลามันเป็นอันตรายที่มากับโทรศัพท์นะไม่ใช่แค่จดจอ่อโทรศัพท์จนกระทั่งเดินข้ามถนนให้รถชนอย่างเดียวหรือว่าขับรถแล้วก็ใจนี้ก็ไปสนใจกับโทรศัพท์จนกระทั่งไปขับรถชนคนอื่นนะแต่บางทีมันมากกว่านั้นนะ เช่นเกิดอารมณ์เสียเกิดโมโหนะไม่ชอบใครบางคนก็เขียนด่าโพสข้อความด่าทางโทรศัพท์มือถือปรากฏว่ามันกลายเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาโดยเพราะถ้าเป็นคนดังเนี่ยเราก็คงได้ข่าวนะคนดังหลายคนเนี่ยหงุดหงิดกับถนนหนทางหงุดหงิดกับเหตุการณ์บ้านเมืองนะก็ เขนข้อความนะลงไปทาง Facebook ทาง i n s t a g r กรนะปรากฏว่าเราถูกคนด่าทั่วเมืองเลยหรือบางทีเราไม่พอใจใครเนะี่ยเราก็เขียนด่าเข้าไปนะไอสิ่งที่เราเขียนเนี่ยนะมันก็อาจไปสร้างความเดือดร้อนสร้างความเสียให้กับคนอื่นได้ที่ประเทศอิตาลีเนี่ยมันมีนางแบบคนหนึ่งนะเขาเขาเขียนข้อความสนับสนุนการมีรักร่วมเพศนะ รักรมเพรเนศศาสนาคริสต์ก็ถือว่าเป็นบาสนะแต่ว่าเธอก็บอกว่ามันไม่บาปเธอเห็นด้วยการแต่งงานนะระหว่างคนเพศเดียวกันก็มีคนเขียนข้อความไปด่าเธอด่าซียเซ๊ยนะเพราะว่าเธอนี่กุ้มอกกุ้มใจมากนะไปที่ไหนก็เจอแต่คนด่าทางเพิร์สเฟกุ้มใจซึมเศร้าหลบนีหนีหน้านะ เส่แล้วก็ฆ่าตัวตายเนี่ยฆ่าตัวตายเพราะว่าทนเสียงด่าไม่ไหวไอ้คนที่ไปลุมด่าเธอก็ถือว่ามีส่วนนะทําให้เธอฆ่าตัวตายบางคนก็ไม่ยังคิดนะอยากจะด่านะแต่ไม่รู้ว่าผลกระทบของข้อความที่ตัวเองเขียนเนี่ยถ้ามันไม่ย้อนกลับมาทำร้ายตัวเองนะมันก็ทำร้ายคนอื่นแล้วบางทีถึงตายได้ในเดี๋ยวนี้เนี่ยนะเพียงแค่เราลืมสติ ไม่รู้ตัวเพราะอารมณ์ชั่ววูบนี่ก็ จ, จะสร้างความเดือดร้อนให้กับตัวเองหรือสร้างความฉิบหายกับคนอื่นได้บางทีเราอาจจะไม่ได้ทำอะไรอาจจะไม่ได้เขียนข้อความอะไรนะแต่ จ, จะทำอะไรบางอย่างด้วยความวู่วายเสร็จแล้วมีคนถ่ายนะถ่ายเป็นคลิปถ่ายเป็นภาพแล้วก็โพสต์ขึ้น Facebook นะให้คนนั้นเนี่ยวยเลยนะบางทีเราจะโมโห นะโมโหแล้วก็เตะหมาเงี้ยมีคนถ่ายภาพนี่ไว้ขึ้นเฟซนะแย่เลยนะเรานี่ถูกด่าทั่วทั่วเมืองเลยไอเดี๋ยวนี้นี่จะทำอะไรเนี่ยต้องระมัดระวังบางทีไปด่ากันทะเลาะ ก, กันเนี่ยแต่ก่อนก็ทำได้นะไม่มีใครรู้หรือมีคนรู้ก็น้อยนะแต่เดี๋ยวนี้มีคนถ่ายเป็นคลิปแล้วก็เอาเอาขึ้นประจานทางเฟซบุ๊กนะก็เสียผู้เสียคนนะบางทีอาจจะ อาจจะเผลอทําด้วยความชั่ววูบนะเช่นเคยมีลูกค้าคนนึงนะไปทะเลาะกับเจ้าของร้านเพราะว่าคิดเงินแพงนะทะเลาะไปทะเลาะมาบางทีก็ด่า ก, กันแรงๆคนก็ถ่ายขึ้นเฟซนะก็เสียหายนะอันเนี้เห็นสมัยนี้เวลาเผลอเนี่ยนะมันเดือดร้อนง่ายกว่าสมัยก่อนนะสมัยก่อนเผลอไปทําตัวอะไรไม่ไม่น่าดู ก็อาจจะไม่ค่อยมีคนเห็นหรือเห็นไม่มากแต่สมัยนี้เนี่ยคนสามารถจะเห็นได้กันทั้งประเทศหรือทั่วโลกนะแล้วเขาไม่ได้เห็นเปล่าเปล่านะเขาียนเขาเห็นเขาก็ด่าด้วยนะสมัยนี้มันด่าง่ายเลยเพืนเพราะฉะนั้นเนี่ยยุคนี้นี่ให้การมีสติสําคัญมากเลยนะจะลืมตัวเผลอแค่ประเดี๋ยวประดาวนี่อาจจะหมดอนาคตไปเลยก็ได้นะอาจจะตกงานนะหรือไม่ก็อาจจะ เสียผู้เสียคนไปเลยยุคนี้เป็นยุคที่การมีสติสําคัญมากนะแต่ว่าในเวลาเดียวกันสิ่งที่ทําให้ไม่มีสติมันก็มากนะกว่ายุคก่อนสมัยนี้นี่สิ่งที่ยั่วยุให้เราหรือยั่วยวนให้เราไม่มีสติมันเยอะมากแต่ถ้าเราเผลอเราก็เดือดร้อนเหมือนกันอันนี้มันเป็นจะเรียกว่าสมัยนี้อยู่สบายนะแต่ในด้านนี้มันก็อยู่ยากนะเราสะดวกสบายแต่ก็อยู่ยากขึ้นนะเพราะว่า เผลอนิดเผลอหน่อยนี่ก็เอานะเดี๋ยวเกิดเรื่องแล้วนะฉั้นต้องมีสติมากๆทีเดียว